มาเหตุผู้อ่านในเรื่องนี้ก็จะมีคนอีกมากนะครับที่บอกว่าที่ต้นไม้หันเข้าหาแสงนั้นคล้ายๆกับแม่เหล็กที่ดูดหรือผลักกันซึ่งในเรื่องนี้มีการทดลองโดยต่างชาตินะครับว่าพืช น, นั้นมีความรู้สึกและสามารถสื่อสารส่ ง, สงข้อความถึงกันได้มีการแจ้งบอกข่าวส่งต่อกันให้พือที่อยู่ไกลออกไปได้เตรียมป้องกันตัวเมื่อมีภัยมาถึงซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ก็มีวิญ ญ, ญาณ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 เรียกว่าผวังขวิญญาณจงสังเกตว่าผวังขวิญญาณทำหน้าที่ของมันโดยไม่รู้สึกตัวซึ่งถ้าพูดอีกในย่าหนึ่งก็คือการที่ผวังขวิญญาณเนี่ยมันเล่นมะม่วงสร้างต้นมะม่วงขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องมีความรู้สึกและมีความนึกคิดด้วยแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ว่านี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้น ระวังค่วิญญาณจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตไร้สํานึกส่วนวิถีวิญญาณ น, นั้นเมื่อเกิดความรู้สึกเนื้อคิดอย่างไรก็ตามเรารู้สึกตัวว่ามันมีความรู้สึกเนื้อคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นวิญญาณส่วนนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตสํานึกผู้เริ่มศึกษาเรื่องวิญญาณ